เรื่องสุมนณะสามเณรพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในบุพารามของนางวิสาขามหาอุบาสิกากรุงสาวัตถีทรงปรารภสามเณรชื่อสุมนณะทรงตรัสเล่าบุรพกรรมของพระอนุรุธทธาเทระความพิสดารว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ กุลบุตรผู้หนึ่งเห็นพระศัสดาตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีจักษุทิพย์ตั้งความปรารถนาแล้วจึงนิมนต์พระศัสดาถวายทานตลอดเจ็ดวันตั้งความปรารถนานั้นพระศัสดากระทาอนุโมทนาความปรารถนาของเขาจากสำเร็จอีกแสนกับแต่พัทระกับนี้เธอจักเป็นผู้ชื่อว่าอนุรุทธะ เลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีจักสุทิพย์ในศาสนาของพระสมณะโคดมจุติคือเคลื่อนจากอัตภาพนั้นเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวในเทวโลกและมนุษย์สิ้นแสนกับในกับนี้เกิดเป็นสกุลคนเข็นใจในกรุงพารณสีอาศัยสุมณะเศรษฐีเป็นคนขนย่าให้เศรษฐีชื่อว่าอันนภาระ เศรษฐีถวายทานตลอดการเป็นนิดวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านา้มว่าอุปริธะออกนิโรสมาบัติจากเขาคันธมาศออกบินทบาทมาด้วยฤทธิ์ปรากฏเฉพาะหน้าอันธพาระเขาทิ้งหากญาวิ่งไปสู่เรือนขออาหารจากภริยาถวายบาตรแด่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นตั้งปรารถนาว่าทานนี้ ความเป็นผู้ขัดสนอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าชื่อว่าคำว่าไม่มีข อ, อย่าได้มีในพบน้อยพบใหญ่พระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาแล้วเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในชัดของสุมาเนเศรษฐีชื่นชมอ น, นุภาระแล้วสาธุการขึ้นสามครั้งด้วยความเลื่อมใสในบิณฑบาตนั้น เศรษฐีนั้นครั้นทราบเรื่องที่เทวดาสาธุ ก, การจึงไปขอซื้อบินทบาทขอแบ่งบุญบินทบาทอันนภาระรีบวิ่งไปถามพระปัจจัยกับพุทธเจ้า ว, ว่าเศรษฐีขอแบ่งส่วนบุญจะทำอย่างไรที่นั้นท่านได้เปรียบเทียบการแบ่งบุญเหมือนเช่นกับว่าส่งต่อประทีปไปให้คนอื่นจุดประทีปต่อๆกันแสงก็ยิ่งสว่าง บุญ น, นั้นยอมเจริญมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจึงแบ่งบุญให้เศรษฐีตั้งแต่นั้นเศรษฐีให้อ น, นาภาระหยุดทำการงานให้ปลูกเรือนริมถนนถวายทานตามที่ตนต้องการด้วยทรัพย์ของเศรษฐีนั้นพระราชาทรงสดับมีรับสั่งให้เรียกอ น, นาภาระมาแล้วทรงรับส่วนบุญพระราชาทานโภคะมาก แล้วพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีแก่เขานี้เป็นผลทานสำเร็จด้วยถวายแก่ท่านผู้ออกนิโรธย่อมให้ผลในวันนั้นนั่ น, น, นเองพระสัสดาตรัสเล่าประวัติพระอนุรุทธะอันณภาระนั้นเป็นสหายกับสุมาณะเศรษฐีทำบุญตลอดชีวิตจุติแล้วบังเกิดในเทวโลก ในพุธทธบาตกาณนี้ถือปฏิสนธิในสำนักของเจ้าสกยะทรงนามว่าอมิโตธนะในนคร ก, กบิลพัทนามว่าอนุรุท ธ, ธะเป็นพระกณิษฐาพาดาคือน้องของพระเจ้ามหานามาเป็นโอรสของพระเจ้าอาของพระศาสดาเป็นผู้สุขุมมารชาตอย่างยิ่งมีบุญมากได้ยินว่าวันหนึ่งพระองค์เล่นกีฬาขลุกเอาขนมกับพระสหาย เจ้าอนุรุทธะแพ้ขอขนมจากพระมารดาจนหมดก็แพ้อีกถึงสามครั้งขอขนมอีกจนพระมารดาส่งข่าวว่าขนมไม่มีความที่ไม่เคยได้ยินคําว่าไม่มีจึงส่งไปด้วยพระดํารัสว่าจงไปเอาขนมไม่มีนั่นมาพระมารดาทรงทราบว่าอันบุตรของเราไม่เคยได้ฟังคําว่าไม่มีวันนี้จะทําให้รู้ว่า ไม่มีนั้นคืออะไรว่าแล้วก็ให้คนรับใช้เอาถาดเปล่าปิดด้วยถาดเปล่าอีกใบหนึ่งส่งไปให้ขณะนั้นเทวดาทั้งหลายผู้รักษาพระนครคิดว่าเจ้าอนุรุท ธ, ธะเคยถวายพัตตาหารแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาไว้เมื่อครั้งเป็นคนคนย่าชื่ออนนภาระถ้าหากว่าตนพึงเฉยไซแม้ศีรษะของเราพึงแตกออกเจ็ดเสียง จึงบรรจุถาดให้เต็มด้วยขนมทิพย์ทั้งหลายเมื่อเปิดออกแล้วกลิ่นขนมทิพย์แผ่ซ่านไปทั่วพระนครพอสักว่าอันเจ้าสกยะวางขนมไว้ในพระโอษฐ์กลิ่นรสนั้นได้แผ่ไปสู่เส้นสำหรับรับรสตั้งเจ็ดพันตั้งอยู่แล้วเจ้าอนุรุทธะทรงดำริว่าในการก่อนนี้ประมาณดาไม่ทรงรักเราไม่เคยทำขนมชื่อไม่มีนี้ให้แกเรา จึงไปทูลพระมารดาพระนางจึงดำริว่าบุตรของเราได้ทำบุญไว้แล้วขนมทิพย์จึงได้บังเกิดขึ้นจำเดิมแต่นั้นมาพระนางก็ล้างถาด ท, ทองคำแล้วปิดด้วยถาดอีกใบส่งไปในเวลาที่เจ้าอนุรุทธะจะบริโภคขนมการต่อมาเจ้ามหานามสัสคยะทรงตรัสถามเจ้าอนุรุทธะว่า เธอหรือฉันจกบวชถ้าไม่บวชต้องเรียนวิธีการทำนาเจ้าอนุรุทธะไม่ทราบแม้ว่าพัดคืออาหารนั้นเกิดที่ไหนทรงรู้แต่ว่าอาหารเกิดขึ้นในถาทองคำใบใหญ่ด้วยท่านไม่เคยเห็นการตำข้าเปลือกไม่เคยเห็นคนหุงข้าวต้มไม่เคยเห็นคนทําอาหารเจ้าอนุรุทธะสะับความที่การงานทั้งหลายที่เจ้าพี่ตรัสบอก จึงไม่ปรารถนาจะอยู่ครองเรือนจึงเสด็จออกพร้อมเจ้าสกิยะห้าพระองค์ออกผนวดมีเจ้าพัทยาเป็นหัวหน้าห้าพระองค์นั้นได้แก่พระพัทยะกิมพิละเทวทัตอนุรุธทธะอานน์และอุบาลีผู้เป็นนายผู้สามาลาอีกหนึ่งผนวดล้าเป็นผู้ปฏิบัติชอบทําให้แจ้งซึ่งวิชาสามโดยลําดับ สามารถเล็งดูโลกธาตุพันหนึ่งได้ด้วยทิปจักขุดุดผลมะขามป้อมที่วางไว้บนฝ่ามือฉะนั้นพระอนุรุทธะเทระระลึกถึงสหายเก่า ว, ว่าสุมาณเศษฐีผู้สหายในการก่อนนั้นบัดนี้ไปเกิดที่ไหนหนอได้เล็งเห็นว่าเศรษฐีนั้นไปเกิดเป็นลูกคนเล็กของอุบาศกมหามุนทะชื่อว่าจุลสุมณมีพี่ชายชื่อมหาสุมณ ขณะนั้นจุลสุมาณะอายุได้เจ็ดขวบจึงไปโปรดและจำพรรษาอยู่ตลอดสามเดือนออกพรรษาแล้วพระเทระก็ให้จุลสุมาณะบวชครั้นบวชแล้วก็บรรลุอรหัตในเวลาลงผมเสร็จนั่นเองพระเทระพาจุลสุมาณะสามเณรไปเฝ้าพระสัสดาขณะที่อยู่ในกระท่อมในป่าหิมะวันตะประเทศ ระอนุรุธะเป็นโรคลมเสียดในท้องถ้าได้ดื่มน้ำจากสะอานดาดก็จะหายสามเณรอาสาไปเอาสั่งสามเณรไปถึงนาคราชชื่อปัญกกะผู้เฝ้าสะอโนดาดว่าขอน้ำเอาไปทำยาสามเณรไปแล้วต่อสู้กับปัญณกะนาคราชที่สะอโนดาดพญานาคแพ้ยอมให้น้ำนั้น โรคหายแล้วจึงไปเป้าพระสาสดาพระสัสดาทรงทราบความแห่งพระเทระแล้วทอดพระเนตรอยู่บนปราศาสตบิดามาดาพวกภิกษุลุกต้อนรับรับบาทจีวรแล้วครั้งนั้นพวกภิกษุจับสมณเณรที่ศรีรษะบ้างที่หูบ้างที่แขนบ้างกล่าวว่าสมเณรไม่กระสาหรือ พระสัสดาทอดพระเนตรเห็นกิริยาภิกษุเหล่านั้นแล้วทรงดำริว่ากรรมของภิกษุเหล่านี้จับสามเนนเป็นดุจจับอสรพิษที่คอพวกเธอหารู้อนุภาพของสามมเนนไม่ควรจะทาคุณของสามเนนให้ปรากฏทรงตรัสสั่งให้ประชุมสามเนนในวิหารทั้งห้าร้อยว่าพระสัสดาต้องการน้าที่สะอโนดาดเพื่อล้างพระบาททั้งสอง ไม่มีสามนเณรองค์ใดรับอาสาแม้มีสามนเณรขีณาศพผู้เป็นอรหันต์มีอยู่ก็จริงแต่สามนเณรเหล่านั้นไม่ปรารถนาด้วยรู้ว่าพระศัสดาจะทรงใช้สุมาณะสามนเณรองค์เดียวในที่สุดพระเทระจึงใช้ให้สามนเณรสุมาณะไปนำน้ำจากสาอนุดาดพอปัญกกะนาคาราชรู้ข่าวได้นำหม้อน้ำมาแล้ว ส่งให้สามาเณรเหาะมาทางอากาศพระสสดาตรัสเรียกพวกภิกษุมาแล้วตรัสให้ดูการเยื้องกลายของสามาเณรเธอย่อมงามดุจประยาหงในอากาศฉนั้นจากนั้นพระสสดาได้ประทานอุปสมบทด้วยทายัชาอุปสมบทแก่สามาเณรสุมานณะขณะอายุได้เจ็ดปี มีโซปากะสามเณรอีกองค์หนึ่งก็ได้อุปสมบทด้วยวิธีนี้สำหรับเรื่องนี้ทัพพระมละัลลบทสามเณรบรรลุอรหัตขณะปลงผมเช่นเดียวกับสามเณรสุมนณานี้และพระศาสดาก็ส่งอุปสมบทด้วยทายัชาอุปสัมปทาด้วยพระดำรัสว่าอัจโตปทายะภิกุโหมิเธอจงเป็นภิกษุตั้งแต่บัดนี้ เราให้ทำหน้าที่พัตตุเทศแจกพัตคืออาหารและเสนาสนะคาหาประกาศการจัดแจงเสนาสนะได้รับยกย่องว่าเป็นเอตัทัคคะทางด้านนี้ด้วยภิกษุทั้งหลายต่างสนทนากันในโรงธรรมเรื่องความอัศจรรย์ของสามเณรสุมนณะพระศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ในศาสนาของเราบุคคลแม้เป็นเด็กปฏิบัติชอบแล้วยอมได้สมบัติเห็นปานนี้เหมือนกันดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าภิกษุใดแลอ ย, ย่างหนุ่มภาคเพียรอยู่ในพระศาสนาภิกษุนั้น ย, ออย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากหมอกเมฆสว่างอยู่เช่นนั้น ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติพลเป็นต้นดังนี้แหละคำว่าสุขุมาลชาติแปลว่ามีตระกูลดีเป็นผู้ดีมีตระกูลสูงมีลักษณะอย่างผู้ดียุริยามารยาทเรียบร้อย เรื่องนี้สำหรับท่านที่เป็นสุคุมรารชาตินั้นนะครับให้สังเกตว่าในหลายตอนในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์จะทรงให้โอวาดให้การปฏิบัติอีกรูปแบบหนึง่งเช่นอนุญาตให้ใส่รองเท้าได้ให้ใช้ร่มได้หรืออื่นๆข้อนี้อยากชี้ให้เห็นนะครับว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันดังนั้นการปฏิบัติจะเหมือนกันไม่ได้คนที่เกิดตามท้องไร่ท้องนานอนกลางดินกินกลางทรายมาก่อน ย่อมทนแดดฝนร้อนได้ง่ายกว่าคนที่เป็นลูกคุณหนูอยู่ห้องแอร์มาตลอดชีวิตนะครับดังนั้นในเบื้องต้นสำหรับคนที่เป็นสุขุมราาชาติจึงต้องมีการปฏิบัติที่แตกต่างไปเล็กน้อยให้เหมาะสมกับพื้นฐานโดยเฉพาะการเริ่มต้นนะครับอยู่ดีๆจะให้ไปลำบากไปอดข้าวอดนอนตากแดดตากลมเลยบางครั้งใจสู้แต่ร่างกายไม่สู้ดังนั้น จึงควรอนุโลมในช่วงแรกเพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้หรือให้เหมาะสมกับร่างกายของคนคนนั้นนะครับเรื่องพวกนี้จริงๆสอนไว้ในพระไตรปิฎกครบแล้วนะครับในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับหมวดสัปปายะอาหารสัปปายะอากาศสัปปายะสถานที่สัปปายะคำว่าสัปปายะของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและต้องดูตัวเองด้วย ว่าตัวเองเหมาะสมกับแบบไหนอยู่ที่ไหนทําแบบไหนแล้วกุศลเจริญอกุศลไม่เจริญก็ให้ทําแบบนั้นไม่ควรทําตามกันนะครับ